ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิภาวนาในตัวของเรามีกายกับติกายมีหน้าที่สัมผัสจิตมีหน้าที่รับรู้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 กำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่มีสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้นแล้วเจตของพระองค์ก็จำเนินเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนเริ่มต้นแต่ปสมมชานมีวิตกวิจารปีสิสุขเกกขตา ตติยะ า, านมีปีติสุขกับคจาแติตยะ า, านมีสุขกับเอกับฆจาจะตุชาฌานมีเอกับขจากับอุเบกขาความเป็นไปของจิตเมื่อจิตทำถึงสมาธิขั้นปฐมฌาน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 ความดูดเดิมซึมซาดในอารมณ์ก็บังเกิดขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบาเป็นกายวิเวกจิตเบาจิตสงบเป็นจิตตวิเวกเมื่อเป็นเช่นนั้นปีติย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อมีปีติแล้วสุขไม่ต้องพูดถึงเพราะสุขเป็นผลเกิดจากปีติจิตสวบสุขในตีติย่อมมีคว า, ามสงบไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมีแนวน้อมเข้าไปสู่คว า, ามสงบคือคว า, ามเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่อารมณ์ที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะนั้น แล้วก็มีความวางเฉยสู่เบขาเป็นองค์ประกอบอันนี้เป็นการเข้าถึงสมาธิขั้นประกลของท่านชายสิทธสถเมื่อสมาธิมีความสงบละเยดลงไปจิตละวางเตียจิตละวางวิตกวิจาร ไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบเิตสมาธิอยู่ในขั้นที่สองซึ่งเรียกว่าทุติยชาต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 ซึ่งเป็นไปตามอันดับแห่งความละเอียดของจิตเรื่อยไปกายก็ละเอียดอารมณ์เคยกิสิงที่จิตกําหนดรู้อยู่ก็ละเอียดเป็นสุขอันละเอียดมีสุขกับเอกขตาเป็นองค์ประกอบจิตยอยู่ในสมาธิขั้นที่สามซึ่งเรียกว่าจะสุขตาตติยะทาน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 เป็นจิตโุธะขั้นที่หนึ่งเจตโพธะคือจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานเป็นถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌาน หรือฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจะตุภัยฌานมีองค์ประกอบสองคือเอกัขตากับอุเบกขานี่คือสมาธิที่เป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้ตอ ง, งที่นับภาวนาสามารถทำสมาธิติดให้รวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัขตา มีความเป็นหนึ่งและมีความเป็นกลางเป็นส่วนประกอบซึ่งเรียกว่าประกอบด้วยองค์สเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิตามที่เราเข้าใจว่าโดยกรรมฐานเรียกว่าสมถกรรมฐาน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 นี่คือสมาธิดังนั้นความสงบนิ่งของจิตโดยไม่ไหวติง้ง น, นั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือฐานรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยข้องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ความรู้ว่าทานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกตขะตาก็ดีรู้ว่าทุติยะทานประกอบด้วยองค์สามมีปีติสุเอกตขะตาก็ดีรู้ว่าจัตติยะทานประกอบด้วยองค์สองคือสุขกับเอกขะตาก็ดี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 มีปรัสนาไม่มีก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงมีนักปฏิบัติพึงสังเกตความเป็นของจิตของตนเองไปตามขั้นตอนทีนี้ส่วนเราจะละอะไรได้บางนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปคำหนึ่งถึง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 บางทีทจิตหยุดนิ่งเพียงแค่เกิดความสงบปีติสุขเอกขตายังไม่บงังเกิดขึ้นมีตกวิจารปีติสุขเอกขตายังไม่มีเราก็ไปเข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วความหยุดนิ่งของจิตซึ่งไม่มีองค์ประกอบเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องพาพนาไปจนกระทั่งจิตของเรามีวิตกวิการปีจิตุเอกคตาจึงจะเป็นการใช้ได้จึงจะชื่อว่าได้สมาธิอย่างแน่นอนดังนั้นจึงทำความข้อดีจึงทำให้นักปฏิบัติทั้งหลายพากันเข้าใจจิต เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปบางทีก็ไป น, นิ่งอยู่เฉยๆบางทีนิ่งแล้วก็มีปีติมีความสุขแต่จิตหาได้หยุดนิ่งไม่เส่งเดิมทีเขาอาจจะภาวนาพโพธิพโถพธิโถอยู่พอจิตสงบนิ่งลงไปเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมา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 หรือบางทีก็เกิดขึ้นห่างๆบางทีก็เกิดขึ้นอย่างขี่ยิบบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราคุงสงซ่านนั่นแหละคือตัววิโตกซึ่งมันเกิดขึ้นในสมาธิในขั้นนี้หมายความว่าพอจิตจุดภาวนาพุทโธแล้วนิ่งนิ่งแล้วก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมา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 จิตยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดจะเป็นหนึ่งได้อย่างไรมันหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าจิตมีสติกำหนดรู้ว่าตัวเองมีความคิดคิดแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนันนั้นคิดแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไป นี่จุดนี้นักปฏิบัติพากันเข้าใจผิดเข้าใจผิดโดยที่ว่าเมือ่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างแล้วเกิดความคิดหรือยังไม่ว่า่หรือยังไม่สว่างก็ตามแต่สงบลงไปแล้วพอมีความเจ็ๆในจิตแล้วความเครดมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้น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 ซึ่งมันต้องมีวิตกวิจารปีติสุกเอกข ต, ตาเป็นองค์ประกอบหลังนั้นในเมื่อท่านผู้ใดภาวนาแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น <c oughs> คือเมื่อจิตสง บ, บนิ่งว่างแล้วเกิดความคิดขึ้นมาควรจะปล่อยให้จิตคิดไปตามลำพังเขาเอง แล้วเรามีสติกำหนดรู้อยู่ในทีถ้าหากว่าเป็นความเพียรที่เกิดจากพลังของสมาธิจริงๆแม้เราจะตั้งใจรู้ก็ตามไม่ตั้งใจรู้ก็ตามสติเขาจะทำหน้าที่ของเราของเขาเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ เางั้นนักปฏิบัติต้องสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองให้ดีโอที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเรียกว่าอนาปานุสติสรรมถธิเมื่อจิตจุดกำหนดตู้ลมหายใจแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้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 หรือท่านผู้ที่พิจารณากายกิตาสติพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นโดยที่เราน้อมเข้าไปสูปฏิปุรสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของปฏิปูรน่าเกลียดโสโครในขั้นต้นเราอาจจะตั้งใจนึกพิจารณาไปตามที่เราต้องการ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 ก็ควรที่จะปล่อยให้เขาคิดไปตามเรื่องตามราวของเขาหน้าที่ของเราเคอมีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นระยะระยะซึ่งแล้วจิตเขาจะคิดไปอย่างไรเนี่ยขอให้สังเกตความเป็นไปของจิตในการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> อย่าไปมัวยึดตัวแต่อารมณ์เก่าอารมณ์เดิม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 เราจะรู้สึกว่ากายเมาจิตเมากายสงบจิตสงบแล้วปีติความุกบางเกิดขึ้นบางทีความคิดเร็วขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่างนั้นในมรรคิดไปสสดท่วงเขาจะหยุดนิ่งแล้วเข้าสู่สมาธิ นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้เช่นเดียวกันกับที่เราบริกรรมภาวนานน่ขอให้พิจารณาหลักวิธีการอันนี้แล้วลองปฏิบัติดูความเป็นจริงสมาธิในขันตนนี่คือสมาธิขันสมถะ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 เป็นอตาตาทีปะเป็นอตาตาสรณนาเป็นอาตาหิตาอาสนุนาโุตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะได้หลักแห่งการปฏิบัติเแลวต่อไปนี้จะได้สุดพูดขอให้ทุกท่านสำรวมจิตสำรวมใจกำหนดรู้อารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมา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 เหตการของศ า, ศาสนาก็รู้สึกว่าผ่นพูนเขาเล่นลนรุ่นวายเรามาหาความสงบให้มันเป็นให้ใจที่เรามีที่อยู่ที่อาศัยอย่าไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาวุ่นวายกับการที่เราจะขับกิเลสออกจากใจเนี่ยดีกว่าที่จะไปเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องวัด